ธรรมะกรรมมทวาทสกะว่าด้วยตัดสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม12หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายตัดสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีแล้วคือหนึ่ง ลงต่อหน้า 2. ลงโดยสอบถามก่อน 3. ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายตัดสปาปิยศิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีแล้วละหมวดที่12ภิกษุทั้งหลาย ตัสปาปิยศสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีแล้วคือ 1. ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย